มันเป็นคำสมุขขึ้นให้กันวันน้ังนั้นท่านผู้ฟังวันนี้ต้องตั้งใจฟังพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดคาเก่าเพราะธรรมะนั้นเป็นของจริงเป็นของเดิมต้องพูดเหมือนเดิมพูดของจริงไม่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต้องพูดความจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาความจริงอันนี้ที่จะนำมาเล่าสู่ฟังอันนี้คืออาตมาคนหนึ่งเป็นคนที่แสวงหาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจริงๆิงแต่สมังตัวของอาตมาหรือตัวของผมแต่เมื่อเป็นเนน เคยทำกรรมฐานกับอาจารย์วิถีพุโทโธหายแต่ข้าวพุทหายแต่ออกโธแต่นั่งขบนั่งขัดธรรมะเยขัดสมาธิตัวให้ตรงในปฏิภาณแต่ได้คนตรงเป็นเล็กน้อยตัว ควมสงบกับคุนรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเป็น no. อันเดียวผมไม่ร im ู้สึกตัวนั้นจะจัดเป็นคนสงบไม่ได้เมื่อกับคนนอนหลับนี่แหละจะจัดว่าคนนอนหลับเป็นคนสงบไม่ได้เป็นไปอย่างนดังนั้นวันนี้จึงจะนํามาเล่าสู่ฟังเพียงพวกจริงคนเรามันไม่รู้สึกสงบไม่รู้จริงของผม มสมมุติว่าเงินเนี่ยไม่รู้เพราะมันเป็นของจริงของตักติดจริงๆเขาพัลลูกอย่างนี้กต่ว่ามันเป็นของจริงเป็นของตักติดจริงๆอย่างเขา้าใจ้งนั่นก็เลยไม่รู้พูดเรื่องคนไม่รู้นี่มีมากที่สุดเป็นมันก็มีมากที่สุดจะนานาเอามาเล้าให้ฟังไม่พบไม่ตกไม่ช่วย บางทีบ้านผมหรือบ้านพี่สาวผมมีเรียกว่ามีอํานาจกับว่าได้มีความสามารถที่จะชี้แนวทางให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้<ม>ข่าวหนึ่งบ้านเมืองมันเดือดร้อนเขาว่ายักษ์จะออกมากินคนว่าอย่างนั้นะเขาพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไปเอารูปอาจารย์ผูดศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็ตามอมาติดที่หน้าประตูเข้า ในบ้านบ้านตัวเองก็เอาไปติดไว้บ้านพี่สาวก็ไปติดไว้ไม่เอามาติดไม่ได้ยักจะเข้ามาบ้านไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องนมงหน่ายทางนั้นพูดแล้วมันหน้าหน่าขําจริงๆนี่มันจะไปสักติดเรื่องอะไรพูดเรื่องนี้มาก็จะพูดความจริงให้ฟังครั้งหนึ่ง ไปอยู่วัดส่ว์ประทานเจ้าคุณปัญญาขอลองให้ไปสอนกรรมฐานที่วัดส่วนประทานมีนายทหารคนหนึ่งเขาเป็นนายลอยนายลอยเอกได้เป็นนายลอยเอกแล้วเป็นนายลอยเอกหนุ่ ม, มพอเดียวเขาเลื่อนสั้นให้เป็นนายพันตีเกี่ยมตัวจะไปรับ <c oughs> พัดยดหรืออะไรแต่มาไม่ทราบหรือเป็น เป็นใบประกาศหรื อ, อยังไงอาตามาไม่ทราบดึงก็เกลียงตัวแล้วก็มากินข้าวกินข้าวแล้วก็มองกระจกเลี่ยนนั้นเลี่ยนนี้มองดูท่าทีจะไปรับใบประกาศหรือพัดอะไรอาตามาไม่รู้เรื่องนั้นสัญญาบัตรสัญญาบัตรยังไม่รู้แต่บ้านเขามีคลองมีไม้ก่ายข้ามคลองมองกระจกเตรียมเรียบร้อยจะไปรับอพันตีพันตีหนุ่มนะ เออเดินออกไปมันไปพลิกคีอย่างไรเไปลูคนคนความจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนไม่ไม่รู้ไม่รู้สมมติจริงๆพอดีไปมองอะไรไม่ตกลงคลองเลยเครื่องแต่งตัวนั่นก็เลยเปรียกไปหมดเลยก็เลยเอาเครื่องแต่งตัวนั้นไปรับไม่ได้กลับเข้าไปถ่ายชุดใหม่ไปเลยชุยดนี้ก็ไม่สวยแล้วชุดที่ไปรับอภันตีนี่ไม่ไม่สวยแล้ว อันนี้แปลว่าคนไม่รู้จักสมมติติดสมมุติจริงๆเนี่ยเสื้อผ้าพัยดยศเอื้อเลือกใบอะไรก็สัญญาบัตรนั่นอ่ะมันเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาให้เราเท่านั้นเองอันนี้แหละคนเรามันเท่งหน้าที่จริงๆอันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเลาให้ฟังมีครูโรงเรียนคนหนึ่งครูโรงเรียนคนนั้นเป็นครูมา ต่อมาสอนโรงเรียนดีแล้วก็ท่านเอาการเอางานดีเขาเลื่อนซื้อเลื่อนสั้นให้เป็นศึกษาอืพอดีเป็นศึกษาก็ต้องมีการกินเลี้ยงกันเซอร์นพพวกมากินเลี้ยงกันพอดีตอนเศร้ามาแล้วเนี่ว่าพันรยาก็ได้แฟนก็ได้จะว่ายังไงก็ได้เหรอพูดตามภาษาบ้านของอาตมาก็เรียกว่าเมียหัวเมียกันแตงพาเข้ามาให้กิน วันนี้พอดีเพื่อนหนีไปหมดแล้วไม่ยอมกินข้าวกับมีอีกแล้วลูกก็ไม่กินเราเป็นศึกษาแล้วเนี้มันตื่นไปยังนี่คนมันไม่รู้จักสมมตุติแต่ความจริงอันนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเขาเลือนซันให้มันกับเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนมันก็อยู่อย่างนั้นที่ผู้ความจริงเนี่ยอย่างที่อาจจะมานุงขาวในนุงเสื้อเสื้อกันหนาวแต่ความรู้อันนั้นมันไม่ใช่ได้อยู่ที่เสื้อนี่เลย เสื้อเนี่ยไปแก้ไว้ที่ไหนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ความจริงให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้องเส้นเป็นครูก็เช่นเดียวกันอันครูนําเสื้อเป็นเขาไปติดไว้เสื้อเขาไม่ได้ติดไว้หน้าผากคนเลยเขาไม่ได้ติดไว้ที่ไหนในคนเขาติดไว้เสื้อที่เครื่องพัดเครื่องอะไรเครื่องยุดเครื่องอะไรเหล่านั้นนะเป็นตำรวจก็เหมือนเขาติดไปเสื้อหรือเคยเห็นคนเอาไปติดไว้หน้าคนไหม ใครมีที่ไหนไม่เคยไปติดไว้หน้าไปติดไว้ที่ไหนไม่เคยมีเลยอันนี้แหละหลงหลงจริงๆคนเราหลงจริงๆหลงสมมุติจริงๆแต่คนมันก็เป็นคนธรรมดานี่เองแต่ว่าเมื่อเขาแต่งตั้งให้แล้วก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่เท่านั้นเองเมื่อเอาเสื้อไปวางไว้แล้วเครื่องหมายอันนั้นมันก็ไม่ได้ติดเราไปไม่ได้ติดเราไปจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ก็ผู้คนจริงให้ฟัง ในทางการศึกษาธรรมะเนี่ยอาตรมาก็เลยรู้สมมติอันนี้ขึ้นมารู้ขึ้นมาทีแรกมันไม่รู้ดอกทีแรกเลทีแรกมันก็รู้รู้รู้นามนี่เราเคยพูดให้ฟังแล้วตอนรู้สมมุตินี่ยมันรู้ไปให้ครบให้จบให้ทั่วจริงๆรู้จริงๆเรื่องนี้พอดีรู้เรื่องนี้แล้วก็เลิกละได้เลิกละจริงๆอาจารมาไม่เห็นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อะไรกันแต่ว่าเราจะทําให้มันดีหรือชั่วกเท่านั้นเอง ถ้าเราทำดีมันก็ดีเราทำช่วมันก็ชั่วเท่านั้นเองอันเครื่องหมายอันนั้นมันไม่ได้รู้ว่าดีไปชั่วมันไม่รู้แต่นายทหารขนนั้นแหละเป็นความจริงพอดีตกคลองแล้วก็เลยกลับคืนไปแต่งซุดใหม่ซุดนี้ก็ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าซุดนั้นมันเกลียมพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับออกเขาก็ให้เหมือนกันให้อันเครื่องอะไรสัญญาบัตรสิเขาก็ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่า แต่เครื่องสุดนี้ไปแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ว่าอย่างนั้นเพราะเขาให้ตามหน้าที่เท่านั้นเองดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็ต้องให้เข้าใจหน้าที่ของเราเรามาปฏิบัติธรรมะบัดนี้ก็ต้องสัพท์กันไปเรามาปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตอนนี้ก็จะยกเอาตัวเองมาพูดเพราะตัวเองทํำยังไงก็ต้องเอาอันนั้นมาพูดเพราะคนเรามีเรื่องอันใดก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาพูดสู่กันฟัง สมัยนั้นไปไปปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้องมีมีขอก ร, รมฐานการขอกรรมฐานเข้าออกได้กรรมฐานก็เข้าได้ออกได้นะแต่ต่อมาเดี๋ยวนี้ทําไมหลวงพ่อจึงไม่ให้ขอกรรมฐานไม่ให้เข้าให้ออกตัวกรรมฐานจริงๆนะมันไม่มีการขอไม่มีการเข้าไม่มีการออกมันต้องทําอยู่เอย่างนั้นตลอดเวลาคนในลักการ รักงานรักหน้าที่คนนั่นแหละซื่อเป็นคนเอาจริงเอาจังคนโบราณขาเจ้าสอนเอาไว้ควมซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากคนใดไม่ซื่อสัตย์จะเอาดีไม่ได้คนใดไม่ซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองจะเอาดีไม่ได้ท่า น, นมันเข้าหลักคนสมัยนี้พูดว่า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 กืนน้ำลายก็ทุกข์โอโแหงแล้วเนี่ยกินข้าวเคี้ยวข้าวเคี้ย ว, า ว, าวอาหารเขทุกข์แทบจะตายแล้วเดี๋ยวนี้แล้วยังซ้ำ ม, มีน้ําจะไปทําธุระอื่นๆเข้ามาทุก ข, อข์อีกแล้วนี่มันเห็นอย่างนี้จริงๆเมื่อเห็นอย่างนี้น้ําตา ม, มันไหลออกมาเลยอาตมาไหลออกมาโอโ้โหตายเราทําไมจึงไม่รู้สิ่งนี้เป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆคนเราเป็นก้อนทุกข์ชนิดหนึ่งเราเห็นอยู่นั้น เห็นอยู่นั้นตลอดเวลาข่าวนั้นติดบุรีเนี่ยอาตมาติดบุรีซุบบุรีกระป๋องเอาไปซื้อเอาเวียงจัน <c oughs> เพราะเวียงจันเนี่ยมันไปมาหากันสบายไม่ต้องขอหนังสือไปได้มาได้ไปเวลาใดก็ได้เด็กก็ได้คนแก่ก็ได้ข้ามไปข้ามมาเวียงจันมันเป็นเมืองลาวแล้วฝรั่งเขาเข้าไปอยู่แล้วเขามีอะไรดีๆเนะี่ยไปขายที่เวียงจัน์ ไปซื้อออกมาสูบเป็นประจำเลยพอดีหมดยาแล้วข่าวนี้ก็ต้องมีคนเดินไปเดินมาเราไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้คนสูบบุรีไปไก่ไกเนี่ยถ้าลมออกมาก็ตามอะไรมันกินมันมาเข้าจมูกเนี่ยอย่างนี้เราสูปเอามีแรงมีแรงยังไม่ทันได้สูปนะมีแรงแล้วเนี่ยมันติดเอาจจริงๆเนี่ยนี่เนี่ยกิเลสนะให้เข้าใจเรื่อกิเลส กิเลสไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะไม่ใช่ย่างมาอย่างคนธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่ย่างมาอย่างสัตว์มันไม่เห็นตัวเห็นตนเลยอันนี้เรียกว่ายานยานปัญญาปัญญาเข้าไปรู้หรือว่ายานสแลบเข้าไปรู้สมมุติก็เหมือนกันยานยานเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปรู้เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยจะพูดรวบรัดตัดใจควมให้สั้นความเป็นไทยแท้จริงอยู่ที่ไหน ไม่รู้จริงๆคนไทยก็ไม่รู้คนไทยไม่รู้ว่าเกิดเมืองไทยก็เป็นคนไทยละสิเนี่ยอาตมาก็เข้าใจอในสมัยเป็นหนุ่มไปเมืองลาวเขาว่าคนไทยคันไปกรุงเทพเขาว่าคนลาวเอ๊ะทำไมเราก็เป็นคนไทยเนี่ยทําไมว่าลาวทําไมว่าไทยเอ๊ะซอกหาความเป็นไทยไม่รู้ไม่รู้จริงๆอาตมา เมื่ออายุ40 6ปีเราลูล่ควมเป็นไทยได้แน่แน่นอนจริงๆเรื่องนี้ควรมเป็นไทยหมายถึงที่เราเปิดประตูออกมาได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในปงเราอยู่ในปงรอบอยูนั้นคำว่าควรมเป็นไทยไม่ใช่หมายถึงเอาเนื้อหนังอันนี้อันนี้ก็มีจริงโดยสมมุติควรมเป็นไทยจริงๆหมายถึงจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากความชั่ว น, นั่นแหละเรียกวควรมเป็นไทย พูดง่ายๆเราเคยพูดกันว่าความเป็นไทยหมายถึงจิตหลุดพน้นจากกิเลสก็ได้ด้วยจากความไม่รู้ก็ได้นี่ยความเป็นไทยจิตจึงเป็นอิสระได้ถ้าหากจิตยังไม่เป็นไทยจริงๆเป็นอิสระไม่ได้มันจะไปติดสมมุติไปติดอะไรต่างๆเหล่านี้แหละดังนั้นความเป็นไทยจึงไม่ขึ้นอยู่กับเสื้อกับผ้าไม่ขึ้นอยู่กับ บุญวาสนาอะไรทั้งหมดเลยนี่พูดอย่างนี้ก็โอดตายแล้วลบล้างขั้นบรทำเนียมประเพณีแล้วอันนั้นเป็นคําพูดของบุคคลไม่รู้อาตมาจึงเือกล่าวหาเขาว่าเป็นคมอมมิวนิสต์เป็นอย่างนั้นก็มีก็พูดความจริงให้กันฟังเขาก็ว่าเอ๊ะเป็นมิตรสาธิติว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาได้อ่านหนังสือ หนังสือของคุณปุ่ณเนี่ยหนังสืออะไรคู่มือมนุษย์ก็เห็นว่าหนังสือเล่มนั้นโ อ, โอ้ดีแล้วเนี่ยก็รีบซื้อมาทันทีซื้อไปแจกเพื่อนอ่านเพื่อนบอเออเธอเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเจ้ความจริงอา จ, จมาตั้งใจจริงๆเพื่อนที่รักกันนะเอาไปให้อ่านหนังสืออันนี้หนังสือคอมมานิตเขาว่าอย่างนั้นเธอไปสแสวงหาเจ้คอมมานิตอย่างนั้นอ้าวบ้าเธอเป็นบ้า เธอนี่ยเป็นบ้าเขาว่าอย่างนะฮนโอ้ก็เลยรับว่าโอ้บ้าจริงๆเราก็ บ, บ้าไปอย่างนึงเขาก็ บ, บ้าไปอย่างนึงคนทุกคนจะมีบ้าอยู่ในตัวเราบ้าในตัวนี่ไม่เห็นไม่เห็นบ้าในตัวจริงๆอายุสี่สิบหกปีนะจึงจะรู้บ้านนี้ขึ้นมาได้นี่พูดความจริงอ่ะถ้าพูดความจริงอย่างนี้่คนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้คนฟังรู้เรื่องมันต้องเป็นคนมีปัญญาเอาไปให้เอาไปให้เขาก็ เอาไปเธอเอาไปเอาไปอ๋อไม่เอาไปแล้วซื้อตั้งซื้อมหม้เธอแล้วเธออ่านเนอะถ้าอยากอ่านเกาอ่านไม่อยากอ่านทิ้งไปเถอะพอดีเอาไปวางไว้ได้ประมาณจากห้าวันนะ่ะเธออ่ะเขาก็อ่านน้อยๆ้อยเขาว่าเป็นความนีน่ได้เขาไปเผาไปทิ้งเที่ยวหลังก็ซื้อมาอีกไปพยายามให้มันรู้มันก็ไม่สนใจเดิมธรรมะเนี่ยจําเป็นมีอยู่แล้วมันถูกปิดเนี่ยเคาว่าอวิชชาเปรตคนไม่รู้ วิชาไปว่าไม่รู้มันถูกควบหน้าอยู่อยู่นี่ตลอดเวลาแต่เมื่อมาตะแคงขึ้นมาจะเป็นหงายขึ้นมาอย่างนี้พวกเราอยู่ที่นี่ก็คายคายกันนะพูดนี่บางคนไม่รุ่มคนควบหน้าอยู่ตัวจิตที่เป็นอิสระควาเป็นไทยนั่นเนี่ยมันค่วบหน้าอยู่อย่นี้มันไม่ถูกเปิดขึ้นม า, านี้อันคนไทยสมนโนครัวเป็นคนไทยหรือสาวพุทธเป็นสาวพุทธสมนโนครัวอันนั้นถูกหน่อยไปถูกมาก ความจริงนั่นนี่พูดให้ฟังถ้าเป็นคนไทยได้แท้นะโดยสมมติกันก็ได้นี่เขาว่าคนไทยต้องรักซารลักศาสนารักพระมหากษัตริย์เองคำว่ารักซารลักยังไงรักศาสนาลักยังไงรักพระมหากษัตริย์ลักยังไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้อ้าวอันนี้ขออภัยแต่พูดความจริงให้ฟังอย่างนี้คนไม่พอใจอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านคำนัน ผู้ตำรวจทหารเป็นคนไทยจริงๆแล้วทำไมไปทำอย่างนี้ทำทำยังไงบิดเบือนต่อหน้าที่จะถือว่าเป็นคนไทยลักาษาดได้หรือไม่ได้นี่อาตมาสลุดใจจริงๆข่าวนั้นน้ำตาไหลหมดเลยข่าวนั้นพูดข่มจริงให้ฟังนี่ว่าเมียก็ได้ไม่เอาไม่เทียนก็ได้ข่าวนั้นอยังเป็นโยมอยู่ไหมเอาผ้าผ้าอาบน้ำเนี่ย มาเซตน้ำตานในเจนเปียกทั้งผืนเลยมันคิดถึงประเทศชาตร์บ้านเมืองเนี่ยโอ้ตาอย่างนี้ทําได้แหมไปทําได้อย่างนี้ทําไหมนี่ยมันมันมันไม่เด็มันไม่ได้ทําตามหน้าที่จริงๆถ้าทําตามหน้าที่จริงๆเนี่ยโอ้โหมันความสุขความไม่ทุกขมันมันทุกคนต้องทํางานเพื่องานเท่านั้นเองถ้าทํางานเพื่อความทุกแล้วก็เดือดร้อนอันนี้พูดให้ควมจริงฟัง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 ในหลวงก็ต้องอ่านอีกแล้วเห็นว่าที่นี่มันบกพร่องก็ในหลวงก็ยังไม่รับก็เอากลับขึ้นมาให้พวกนี้พิจารณาอีกพิจารณาดีแล้วก็เอายืนขึ้นไปนในหลวงอ่านแล้วเห็นว่าไม่บกพร่องจะไม่เดือดร้อนทัน้งกฎเซ็นลงมาเอาลงมาแล้วก็มาทําเป็นกฎหมายแล้วบัดนี้ทําไมเราไม่ขลบุบเมื่อเราไม่ขลุบกฎหมายเราจะถือว่ารักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมลักไหมไม่ลัก จริงๆเรื่องนี้ไม่รักตามปกติเนี่ยมันต้องเคารพนี่เราทุกคนต้องทํางานตามหน้าที่อย่างนีน้แต่ไม่ได้หวังว่าจะเอาราบยุศอะไรอย่างที่นายทหารคนนั้นเลยมันตื่นตัวเพราะเราตื่นยศนั่นเองถ้าหากทุกคนไม่ตื่นยศตื่นราบไม่ตื่นสมมุติแล้วทําไปอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราทําอย่างนี้ต้องทําไปผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาอืออันนี้เราว่มผิดที่ทํามาแล้วเลิก เราต้องตั้ ง, ต, งต้นชีวิตกันใหม่ที่มานี้บัดนี้ทหารลักซาจริงๆอ่ไม่ใช่รักแผดดินอันนี้นะแผดดินนี่เขาลักไว้แต่เพราะมีตํารวจทหารดีแล้วแต่ต้องเคารพกฎหมายนี่แหละเมื่อกฎหมายตราอย่างไงต้องเคารพอันนี้เปโววันลักซาบรักพระมหากษัตริย์รักศาสนารักอย่างไงคือพระพุทธเจ้าท่านสอนทําให้มันเป็นจิตหลุดพ้นทําให้เป็นอิสระ อย่าให้เขามายกย่องได้ท่านว่าอย่างนั้นอันถ้าเขายกย่องได้ยังเป็นคนไทยไม่ได้เป็นได้โดยสมมุติเท่านั้นเองอที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้บดเดี๋ยวจะหาโอ้ยตายแล้วพูดอย่างนั้นนะใครจะรู้ได้ได้ได้จริงๆเหมือนกับที่เราอยู่ในกรงเนี่ยเราเปิดประตูออกมาส่เราจะสว่างได้จริงๆเนี่ยที่ผมเคยพูดให้ฟังเหมือนกับคนเข้าไปในถ้ำ ลราจุดไฟเคินมันก็นมีความสว่างเล็กน้อยฟังนี่รู้แต่ใจมันไม่รู้จึงว่ามันทำชั่วได้ค น, นถ้าใจมันรู้สัมผัสได้จริงๆแล้วมันจะทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นของจริงจริงๆเนี่ยมีในคนทุกคนในเดี๋ยวนีนะ้อันนี้แหละคือว่าที่พระเทวท่านสอ น, นน้อยสอนความจริงแต่ความจริงไม่มากสอ น, นน้อย ได้จะรู้ได้โดยวิธีไหนอันนี้ก็กลับมาพูดเหตุของมันทีแรกอาตมานี่ไม่รู้ก่อนที่จะรู้ก็มาสร้างจังหวะนี่แหละสร้างไปสร้างมาเดินจมกลมเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิบตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายก็รู้ทีแรกกินน้าลายไม่ค่อยรู้ หายใจเข้าหายใจออกในรู้คือน้ำลายไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจคือมันคืนไปตามธรรมดาบันนี้คืนน้ำลายเข้าไปมันรู้วันนี้ลูคอเราเนี่ยใคร้ายคือมีสองรูลงไปหูนี่มันเปิดขึ้นมันเอาลมมาข้างนี้เอาคืนลงหูนี่เป็นเปิดเอาลมออกข้างนี้มันมันมีสองรู้คือว่าท้องเราเนี่ยคือเข้าไปแล้วมันออกมาข้างนี้ลมเข้าข้างนี้ออกมาข้างนี้มันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้จริงๆเรื่องนี้โดยที่ว่าไม่ติดอยู่กับเสื้อไม่ติดอยู่กับผ้า ไม่ติดอะไรทั้งหมดเลยมันรู้อันนี้มันรู้เข้ามาในมันสมองหรือมันรู้อยู่กับรูปเนีไม่แต่มันมีความรู้สนิดหนึ่งถ้ามันรู้อยู่กับรูปรูปตายไปถ้าคนตายแล้วรู้ไหมไม่รู้ความรู้อันนี้จะไปปลูกฝังให้กันได้ไหมไม่ได้หยิบยืดให้กันได้ไหมไม่ได้ความรู้ธรรมะจริงๆนั้นจริงจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้คาดคิดไม่ได้เดาเอาเองไม่ได้มันต้องความเป็นเองจริงวะ ทำอย่างนี้แหละมันไปเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่รู้วิธีจะสอนกันทำอันนี้ทำมาแต่เป็นอย่างนั้นเป็นได้เพราะเรื่องอะไรไม่ทราบเเพราะเราทาอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนต้องทำอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็แน่เท่านั้นเองนี่มีพูดให้มาอย่างนี้พอดีมันเป็นแล้วมันก็รู้โอ้ทาไมเราไปทำอย่างนี้ทำไมไปเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันคิดได้ขึ้น มันทำยังไงกันเนี่ยคิดหายใหุผลไม่รู้เลยแต่เพียงแต่เอาคมรู้สึกนี่แหละเว้ยความไม่รู้มันจะหายไปเองได้แต่เท่านั้นเองให้มันรู้แล้วความไม่รู้มันหายไปเองหายไปเองอันที่มันคว่มหน้ามันยักหนายหน้าเหมือนกับเด็กน้อยนี่ยมันมันนอนคว่มหน้ามาอยู่เนี่ยมันหายใจเฟือดเด็กน้อยนด่มันเรียกว่าทารกก็ได้เด็กน้อยก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่ๆเอามันคว่มหน้ามันพลิกขึ้ไม่ได้มันก็ร้องอยู่นะ ม, ม, ออมันพยายามพลิกหงอยอยู่นเนี่ยมันพลิกไม่ได้แล้วมีคนช่วยมันอันนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราค่วมหน้าอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะพลิกหน้าก็ต้องวิธีจะพลิกหน้าก็คือจเจริญสติเท่านั้นเองมันจะหายขึ้นมาคนเดียวมันเด็กน้อยนะเมื่อเอามันค่วมหน้าลงแล้วมันมีแรงออกหายขึ้นมาคนเดียวมันไม่ต้องไปสอนมันเลยค่วมเป็นอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องสอนสอนไม่ได้เพียงยแต่แนะวิธีเท่านั้นเองนี่ค่วมจริง หลักพุทธศาสนาเนี่ยสอนล่วงขมผิวไทยและคนไทยก็สอนล่วงขมผิวไทยแต่เราไม่รู้ว่าไทยแท้อยู่ที่ไหนนื่องว่าอยู่กับอะไรใบประกาศนิยบัตรผู้ที่เรียนสูงๆนะ่ะเรียอะไรว่าผูเมื่อกี้เนี่ยนั้นสัญญาบัตรแล้วกับผู้เรียนนักทำเตรียมเอาใบประกาศนั้นเป็นเป็นอันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงก็จจริงโดยสมมุติเท่านั้นเองอเรื่องพูดให้ฟังวันนี้ก็ บางคนก็อาดที่มาเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้มีความรู้สูงคนกรุงเทพมากนี่ปริญาทางนั้นโอ้ยไปทอดยศปริญาได้ไหมได้ทอดได้อเป็นพระครูพระเคีเจ้าคุณทอดได้เมื่อเขาไม่พอใจถอดได้แต่ควรู้นี่ถอดไม่ได้จริงๆอย่างที่ครูเนี่ยขถ้าเป็นครูเขาทอดยศครูได้ไหม มันเป็นเรื่องสมมติเยวเอาเข้าเอาออกให้กันได้เราจะไปติดทำไมสมมติ เ, เอาโดยกฎของธรรมชาติจริงๆจริงว่าให้เราเป็นอิสระได้จริงๆที่พูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วนะยังขอหยุดเพียงแค่นี้ วันนี้ก็เช่นเคยจะได้พูดธรรมะให้ฟังและเล่าประวัติความเป็นมาที่สำนักยิ่งขวนให้ฟังบางคนอาจเข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจสำหรับทับยิ่งขวนเนี่ยที่แรกเป็นสวนของพ่อวันแม่วันเปิดอบรมกรรมฐานมาแล้วสองปี อาจจะมาได้มารวมเมื่อเห็นว่าสถานที่ที่ตรงนี้แหละเหมาะสมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันใกล้และติดกับเม่น้ำเลยอีกะด้วยเลยถามพ่อหวนันแม่วนันบอกว่าที่ตรงนี้ขายไหมหลวงพ่อจะทำอะไรคอาว่าอยากได้เป็นสำนักปฏิบัติ พ่อวันแม่วันพร้อมด้วยลูกหลานเพื่อนบ้านด้วยการเปิดอบรมมาแล้วสองปีปีนี้เป็นปีที่สามเลยตกลงขายให้ขายราคาเท่าเดิมพ่อวันแม่วันซื้อที่ตรงนี้พร้อมด้วยภาษีค่าที่ดินเนี่ยหกหมืนบาทก็เลยแทนคืนเอาราคาหกหมืนบาท แต่พวกนี้อาจารย์สุสีและคุณยุ่นคุณจำปามาซื้อเพราะตัวอาจามานั้นไม่มีสตังค์ซื้อหกหมื่นและเสียค่าภาษีค่าที่ดินเอาเองรวมเจ็บหมื่นพวกนี้ก็เลยมาทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติขึ้นเลยให้ซื้อวับมิงขวนจังหวัดเลยแต่ทีแรกไม่ไม่มีซื้อดังนั้นท่านผู้มา ต่างจังหวัดต่างอำเภอจดจำไม่ก็ได้บางคนมีคนถามอาตมาว่าปีต่อไปจะทำอีกบ้างไหมนั้นบอกไม่ถูกแต่คิดว่าถ้าหากมีชีวิตอยู่ถ้าได้อยู่ที่นี่คิดว่าจะทำเรื่อยๆไปดังนั้นมาที่นี่การปฏิบัติที่นี่ จึงไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรทั้งหมดเลยตั้งใจให้ปฏิบัติจริงๆเพื่อทำความเข้าใจจริงๆด้วยตนเองเมื่อพูดเช่นนี้ก็จะวกเข้ามาพูดเรื่องความเป็นไทยให้ฟังอีกสักพักหนึ่งอาตมาเกิดดินไทยเป็นคนไทยร0อยเปอร์เซ็ต เกิดที่บ้านบุห่มตำบลบุห่มอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยพ่อก็เป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยเกิดมาก็เป็นสาวพุทธร้อยเปอร์เซนจริงๆเรื่องนี้เมื่อเป็นหนุ่มขึ้นมามีพี่สาวคนหนึ่งอยู่เมืองลาวไปเมืองลาวเขาเรียกว่าคนไทยตามปกติอาตามาต้องไปบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้าง ว่าคนไทยจะข้ามโคงไปเบื้องฝั่งซ้ายหรือว่าคนไทยพอดีเดินไปกรุงเทพบ้างบางทีก็ไปเที่ยวเขาว่าลาวเนี่ยโยครวมเป็นไทยอยู่ที่ไหนแน่ไม่รู้ต่อมาเอ๊เราก็มีความสงสัยขึ้นมาโยครวมเป็นไทยนี่เป็นยังไงกันเราเป็นคนไทยทําไมมากรุงเทพ ย, ย้อนลาว ลาวอิสานอรนันจะเป็นคนลาวบัด น, นี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เลยรู้คนไทยจริงๆคำว่าไทยไทยนี่หมายถึงเป็นอิสระแต่ไม่ใช่อิสระอยากพูดอะไรพูดอยากทำอะไรทำไปโดยไม่เคารพนับถืออันนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยเขาเรียกว่าคนป่าคนไม่รู้ คนแบบนั้นคือว่าอันธพาลคนไทยเนี่ยต้องเป็นอิสระจริงๆต่อมาได้ถามพูดความจริงแหละถามอาจารย์ทวีวัตว่าเอ๊ะความเป็นไทยนี่เป็นยังไงอาจารย์ทวีวัตรก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ห้าปลดปล่อยทาส แต่เรื่องนี้ก็จําได้พ่อก็ล้อยฟังแตจําไม่ได้ไจําไม่ได้ก็เลยถามเพื่อนรัชการที่เท่าไหร่บอกว่ารัชการที่ห้าตดปล่อยทาดให้เป็นอิสระบ้านอาตมามีทาดที่บอกข้อยขนเรือนขนไซต์กัวเด็กๆก็ถ้าเป็นเจ้าของบ้านแล้วคนเป็นาทาดมันต้องกลัวไซตอะไรก็ต้องทําไปทั้งหมดเลย เป็นอย่างนันอันนี้ก็ความเป็นธาตุของคนจริงๆแต่ที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คาว่าความเป็นไทยเนี่ยหมายถึงเป็นอิสระคือจิตใจหลุดพ้นให้เข้าใจอย่างนี้พูดให้ฟังเนี่ยจาได้แต่บางคนอาจจะไม่รู้วิธีธรรมคำว่าจิตหลุดพ้นทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นได้ พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าจิตเป็นอิสระเป็นประพัดสอนเรียกว่าจิตดพุพนเป็นอย่างนั้นดังนั้นการกระทาเรื่องนี้มีทางเดียวเรียกว่าทางสายเอกคือการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาคาว่าเจริญสตินี่สติเป็นเพียงคำพูดสติเรียกว่าความระลึกได้ สำปาชนะควมรู้ตัวพูดภาษาบ้านเราเลยว่าคนลืมตัวคนไม่รู้ตัวเองต่อมาเมื่ออายุ46ปีนี่แหละไปปฏิบัติธรรมะวิธีเคลื่อนไหวนูกงางเกงขาสั้นบ้างขายาวบ้างเป็นโยมอย่างพวกโยมมานั่งอยู่ที่นี่แหละเป็นโยมไปปฏิบัติธรรมะรู้ขึ้นมา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 คำว่าเต็มนี่หมายถึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อสิบเราก็สมบูรณ์เลยเหมันถ้าจะนับไปถึงร้อยก็นับไปถึงร้อยก็สมบูรณ์ไปอันนี้ก็เหมือนกันทำจังหวะเนี่ยมากขึ้นรู้เอียงซ้ายเอียงขวารู้พิบตาอ้าปากรู้ หายใจเข้าหายใจออกรู้เกินน้าลายผ่านลงไปในลําคอรู้เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยรู้รู้ทุกวิธีอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์เียว่าเต็มบริบูรณ์เมื่อเต็มแล้วเกิดความคิดหรือปัญญาสนิดหนึ่งให้เรารู้ตัวเองรู้ตัวเองกับไม่ได้รู้อะไรรู้ลู่พู้น้ํานี่แหละอย่างที่เคยพูดให้ฟัง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 คิดไม่หยุดไม่เศา อ, อันนี้หมอก็เป็นจะรักษาโรคอันนี้จำเป็นต้องศึกษาปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้อย่างนี้ <_ c> เมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยรู้ทุกขงังอั น, นิจังอนัตตาทุกขังอั น, นิจังอ น, นัตตาตามตําลาครูบาอาจารย์สอนให้ว่าผมงอกฟันหัก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 นอนด้วยทุกเคลื่อนไหวไปมาไปด้วยทุกทั้งนะั้นจึงไม่รู้จากทุกอืมเรื่องนี้เตือนอันนี้เมื่อมารู้จากทุกนี่แหละก็เลยเลิกได้สิ่งที่ไม่มีสาระก็เลิกได้เลยรู้จริงๆ ร, รู้ทุกแล้วก็เลยรู้สมมุติขึ้นมาสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ทวนรู้จริงๆเรื่องนี้ เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วก็เลยรู้ศาสนาศาสนาจึงมีมากศาสนาแปรวคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ศาสนาถีก็มีศาสนาพราหมก็มีศาสนาเทวดาก็มีหรือศาสนาพุทธก็มีแล้วก็ยังมีนอกจากศาสนาพุทธไปแล้วก็ยังมีศาสนาคิดศาสนาอิสลาม เหล่านั้นมีมากศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้คนใดเคยกราบผีไหว้ผีบ้านอาตมาสมัยนั้นคนมันน้อยไปป่าไปดงไปต้องผีป่าเนี่ยต้องเอานําเอาเป็ดเอาไก่เอาเอาสุนักเนี่ยไปเลี้ยงเขาบอกผีฆ่าไปเลี้ยงผี มีบ้องเล่าบ่องยาเป็นโศกเป็นเหวต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนไปต้องผีแล้วก็ต้องไปเลี้ยงไหวผ้ผีอันนั้นเขาเรียกว่ า, าศาสนาผีคือพึ่งผีาศาสนาเปรตที่พึ่งเข้าใจอย่างไ น, นบัดนี้คนใดเคยดูลื่งามยามดีก็ต้องสอนให้ดูลึกงามยามดีคนใดเคยถือเรีว่าพามพามเรียว่าคนสลาด ดูลึกดูยามเนี่ยแนะนําไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่พามหัวเข้าโป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นพามไปว่าคนสลาดกว่าคนที่ยังไม่สลาดคนไม่ไม่มีหลายระดับคนไม่สลาดเรียกว่าคนโง่คนสลาดเรียกว่าคนมีปัญญาอย่างเนี้ยนอกจากนั้นยังมีการสอนให้ไหว้เทวดาบวงสวงบวงสวงเทวดาของหวานไปบวงสวงเทวดาต้องมีข้าวต้มข้าวหนมข้าวดำข้าวแดง เสียเคาะดูลึก ด, ดูยามแล้วหมอก็ต้องสอนอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าศาสนาเทวดาบัด น, นี้พุทธศาสนานีพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รู้สึกตัวบัด น, นี้ศาสนาพุทธเนี่ยจึงว่าไม่เหมือนกับศาสนาผีไม่เหมือนศาสนาพรามณ์ไม่เหมือนศาสนาเทวดาเป็นพุทธศาสนาจริง ดังนั้นเมื่อเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วรู้จักจริงๆพุทธปเปลว็อผู้รู้ศาสนาเป็วคําคสอนสอนเข้าหูทุกคนต้องมีหูสัตว์ก็มีสัตว์แต่มันจําไม่ได้แต่คนนี่มันจําได้สอนแล้วจดจําได้ยิ่ว่าตัวคนทุกคนนั่นเนี่เป็นตัวศาสนาพุทธศาสนาบนี่ยพุทธเปเป็อผู้รู้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 ก็เลยว่าผีมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนโง่เท่านั้นเสืออย่างนั้นคนสลาดจะไม่เสือคนใดศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วจะไม่ยอมเสืออย่างนั้นบัดนี้เทวดาก็เช่นเดียวกันลึก ง, งามยามดีอันใดทั้งหมดแหละทำเองไม่เป็นคนเนี่ยทำเองเป็นทำอะไรเป็นทั้งนั้นเรื่องนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง ไปจังหวัดสยนยภูมิไปอำเภอแก่งคอคนอำเภอแก่งคออาจจะมีเขาได้อยู่ที่นี่มีคนหนึ่งเป็นตำรวจอาสาสมัครไปลบกับพวกใดเขาว่าเรียกอาตมาก็ไม่รู้ไปลบกับพวกยวนเขาแล้วมีตะกุดมีคาถาอะไรพกเครื่องเท่านี้แหละเป็นเครื่องขังของขังเขา เขาขึ้นไปบ้านท่ามักไฟไว้ยังนั้นเขาว่าไปจากอำเภอแก่งคอเดินไปมันเวลามันคำ้ำไปที่นั้นน้ำตกที่ตีนภูมันมีมันมีร่องน้ำเขาก็เลยไปอาบน้ำที่นั้นเมื่ออาบน้ำตามปกติคนบางคนก็ต้องปวดท้องไปท่ายอุจระเมื่อไปท่ายุจระจําเป็นต้องออกของของัองออกจากคอเอาไปแขวนไว้ต้นไม้ท่ายุจระมันแล้วมันลืมมัน ก็ลืมแล้วก็มาอาบน้ําก็เลยไปบ้านเลยไปบ้านอาจารมาก็ไปทีหลังอาจารมาไม่รู้อาจารมาก็ไปพักกินน้ําที่นั่นก็เดินขึ้นไปทางบนเขานะเดินไปแต่คนนั้นไปพักืกอยังสมมุติอาจารมาบ้านอาามาไปพักอย่างนี้คนนั้นไปพักบ้านโน้นไกลกันไปอาจารมาไปพักบ้านบ้านขึ้นไปถึงอาจารมาพักบ้านที่สองที่สามก็ไปพักคไกลไกลตอนเศร้าคนนั้นก็นอนไม่หลับคืนนั้น ท่านวังนอนไม่หลับคิดถึงของเนี่ยคนมันต้องมีปัญญาอย่างนั้นพอดีก็วิ่งไปเลยกลัวคนจะไปเอาวิ่งลงมาอาตมาก่ามาก่อนหน้าจะขึ้นหน้าแต่คุณจะฟ้าไปที่ไหนถามผมลืมของลืมอะไรของวัะที่ตีนพูที่น้นตกโน้นอนโอคุณจะวิ่งไปทำไมมันอยู่ที่นั่นแหละไม่หายไปไหนดอกคุณอย่าวิ่งเดี๋ยวก็เป็นลมซอกตายแล้วเนี่ย ก็เลยพูดให้ฟังท่านก็ไม่ไม่อยากฟังเท่าไหร่ไปเดินไปด้วยกันคุยกันไปอาจารย์มรุสุนคุยมาอย่างนั้นนะพอเดมาถึงที่นั่นก็เลยที่ไหนที่นี่นะครับเข้าไปก็เห็นของเอาออกมาพกผ้าพกผ้ายันมีตะกุดหลายอย่างแต่ไม่ได้ขอดูในข่าวนั้นกลัวเขาบ้างจัดสอนกอสอนไม่ได้เพราะมันเป็นป่าเท่นั้นเดินมาพอเดเข้ามาถึงอำเภอแกล้งคอก็เลยถามคุณคุณ ของนี้รักษาคุณหรื อ, รอคุณรักษาของอันนี้รักษาผมโอ้คุณเข้าใจถูกแต่มันผิดถ้ามันดีมันต้องเรียกน้องน้องมันต้องเรียกอย่างนั้นในขณะนี้คุณลืมเงี้ย่าป่าพี่ไปพี่จะรักษาน้องอันนี้มันไม่เรียกคุณคุณนะ่นมันเป็นคนที่ไม่สลาดอะไรอย่างนี้จะว่าคนโงเ่เขาเขาไม่ได้ในตลาดเนี่ยคิดว่าในตลาดมันคงจะไม่เตะไม่ต่อยเราได้คิดว่าอย่างนั้นก็เลยสอนมัน คุณรักษามันคุณนอนไม่หลับคืนนี้คุณทุกข์หรือคุณมีสุขวะกระทุกครับนั่นแหละคุณทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละวะคุณรักษามันกลัวมันจะหายคุณต้องคิดให้มันดีในฐานะคุณเป็นตำรวจอาสาสมัครแล้วคุณจะพึ่งมันไม่ได้แต่ก็ดีมันเป็นกำลังใจเท่านั้นเองสอนหลายเรื่องเขาก็เลยเข้าใจอ๋อจริงครับคุณไป สงครามมาเนี่ยคุณชนะคุณไม่ตายเพราะคุณมีสติปัญญาลบลิกถ้าคุณเอาตะกุดอันนี้แขนขอเข้าไปเดินเข้าไปเอาใครดียิงกู้เสนอตายแล้วคุณว่าสอนมันหลายเรื่องเขาเสื้อฟังเนี่คนมันไม่สลาดอันนี้เรียกว่าจิตยังเป็นคนไทยไม่ได้ยังเป็นอิสระไม่ได้แต่หน้าตาดั้งเดินเป็นคนไทยแต่ไม่รู้ว่าจิตเป็นอิสระนั้นอย่างไงอยู่ที่ไหนไม่รู้ อย่างที่ถามอาจารย์พิวัตรนว่ารัตการที่ห้าปลดปล่อยทาตุนคราบว่าปลดปล่อยทาตให้ทุกคนเป็นอิสระอันนั้นเป็นทางรูปกลางใจยังไม่เป็นบัดนี้มาเจริญสตินี่ตอนนี้วกเข้ามาเรื่องการเจริญสติโดยเฉพาะ <c oughs> รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนารู้จักบาปรู้จักบุญจริงๆแล้วบัดนี้อาตมาก็เลิก ข่าวนั้นเป็นาธาตุของบุรีอาตมาสุบบุรีแล้วก็ ก, กินเบียด้วยเนะี่ยเป็นาธาตุของสิ่งเสร็ปิดพอดีรู้อันนี้ก็เลิกได้เด็ดขาดมาตั้งแต่อายุสี่สิบหกปีมาถึงอายุเจ็ดสิบสามปีนี้แล้วไม่เคยเอาบุรีเข้าปากเลยเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆคนเรามันเป็นก้อนทุกข์สนิดหนึ่งหายใจข้าวหายใจออกกินข้าวกินน้ำก็ทุกข์พอแล้ว ยังไปเอาสิ่งเสพติดเข้ามาเป็นนายเราอีกด้วยเนี่ยมันเป็นอยังไงอันนี้เรียกว่าจิตใจเป็นอิสระเหนือจากกิเลสไปได้แต่ตอนนี้ยังยังเข้าใจน้อยนะเนี่ยเพียงเลิกละจับสิ่งเหล่านั้นได้บัด น, นี้จะพูดให้ฟังอีกพักหนึ่งเพราะว่าเรามาพบกันก็ต้องพูดความจริงให้ฟังทุกคนอยู่เทนี่ถามคงจะเข้าใจ เนี่ยเด๋ยวนี้จิตใจปงง เ, าาเป็นยังไงทุกคนเอาถามเนี่ยเป็นยังไงโยมเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไ ร, ร อ, อ๋รเ อ, เ, อ, เ, อ, เ, อ, อเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอบันนี้เอาคุณซา น, ปงง น, านเป็นยังไงใจเฉยเฉยเอาบันนี้ยพ่วิเป็นยังไงจิตใจ เฉยๆธรรมดาแต่คนนี่โยมเนี่ยมีมีความพอใจในในการปฏิบัติธรรมคิดโดยทั่วแต่ความจริงลักษณะจิตใจของคนเป็นเฉยๆเสยๆอย่างนี้มีทุกคนยกเว้นไม่ได้จะเป็นเด็กเป็นคนแก่หรือเป็นเนนเป็นพระเป็นใครๆก็ตามลักษณะเฉยๆเนี่ ย, ยโยมไม่ต้องไปหาของไม่มี ของที่มีแล้วแปลว่าไม่เอาอันลักษณะเสยๆนี่เรียกว่าอุเปขาจิตใจเป็นอุเปฆาวางเสยอย่างนีน้อันนี้การเจริญสติแบบนี้ที่เจริญสตินี่นะคำว่าวิปัสนานี่นะไม่ได้สอนเพื่อว่ารู้จักมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอาตมานี่เองเนี่ยอยากมีฤทธิ์อยากมีอิทธิปฏิหารอยากเหาะได้ อยากดำดินบินบนได้อยากหายตัวได้คิดอย่างนั้นอันนั้นของไม่มีโยมไม่มีจะหาจนตายก็ไม่เจอจริงๆของไม่มีจะรู้ได้ยังไงเพียงคําเล่ากล่าวกันมาเตือนเตือนกันมาเท่านั้นแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนของที่มีแล้วอยู่ในคนทุกคนทุกคนคงจะเคยได้ยินธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดอยู่ในประเทศอินเดียแต่พูดภาษาอินเดียคนพบแล้วก็เลยออกไปสอนคนออกไปสอนคนคนมีปัญญาลูพูดเรื่องนี้จะพูดเป็นประวัติให้ฟังเพียงเล็กน้อยแต่จําไม่ได้ดีอะตอมมีพามณ์เรียกว่านักบวชคนหนึ่งพามเรียกว่านักบวชแสวงหาพระพุทธเจ้าต้องการธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็เลยไปเจอพระพุทธเจ้าจริงๆ เรียกว่าอุปการศีวกไวาอย่างนั้นพระพระเจ้าเดินมาถามองนั้นก็เดินไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้านี่มีลักษณะบริบูรณ์ดีด้วยสวยงามหน้าเข่าลบน่านับถือหน้ากราบหน้าไหว้ไว้อย่างนั้นก็เลยถามพระเจ้าท่านอยู่สนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่าน สอนอะไรให้ผาม น, นักบวชค้อดันท้ า, าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาตอบโดยตรงเลยนี่ควอมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดเข้าใจควอมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดตอนนี้อาตมานั่งเจริญสติโอเลยรู้เรื่องนี้ขึ้นมาทําไมว่าค้อมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดพระพุทธเจ้าตอบตรงเกินไปแต่มันเลยเป็นค้อมผิดอ๋อ คนนี่เหมือ น, นมักหลอกบ้างอ้อมข้อมบ้างยุ่มันอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอบว่าเราไม่ได้เป็นลูกติดไข่ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนมาสอนไม่ได้อยู่สํานักไหนสํานักไหนรู้เองเห็นเองเข้าใจเองตัดสู่เองโดยชอบพามแล้วก็มุทีแล้วก็หนีสลัดหัวไปเลยเลยไม่รู้ธรรมะกับพระพุทธเจ้าเลยอันนี้แสดงว่า เราไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่รู้พระพุทธเจ้าพวกเราธรรมะอยู่ในตัวเราก็ยังวิ่งไปหาธรรมะที่นั่นที่นี่อีกแล้วบุญอันนี้ก็เรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าสู่ฟังการแสวงหาครูบาอาจารย์นั้นน่ะยากที่สุดทัีนั้นยากบุคคลที่จะมาแสดงทําให้ฟังเรียกว่าสตฺตะบุรุษบุคคลที่รู้เมื่อไปถึงท่านแล้วบุญ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 เรียนรู้สูงสูงก็จิตยังเป็นาธาตุของขอมอยากจิตยังเป็นาธาตุเป็นาธาตุกิเลสเป็นจันทร์บัด น, นี้มีเงินมากๆากบัดเนี้ยคนนั้นจะมีความสุขไหมมีความสุขเขาว่ามีความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วเป็นาธาตุของเงินเป็นาธาตุได้มาแล้วก็บางคนนะเก็บไว้เอาไว้ที่ไหนกลัวเขาจะมาลักมันเป็นวัตถุ เป็นสมบัติภายนอกเอาไปฝากธนาคารไว้เนี่ยไปฝากธนาคารแล้วก็ไปหาอีกแล้วเนี่ยเงินไปฝากธนาคารเอามาใช้ไม่ได้จําเป็นต้องไปถอนนีเป็นยังไแล้วไปหามาไปหามาไปฝากธนาคารอีกอันนี้ซึ่งว่าเราเป็นทาสของข้อมหลงผิดดังนั้นควอมผิดจึงเป็นครูเราต้องรู้จักมีเงินมากๆได้ดีอาจจะมาไม่ปฏิเสธมีเงินมากคนใดไม่มีเงิน ก็ต้องช่วยเขาบ้างเขาไม่รู้จักวิธีหาเงินก็ต้องช่วยแนะนําเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณให้เงินเขาเขาทำให้ครั้งหนึ่งอาตมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคนจังหวัดอุดอรไปเปิดร้านที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาอยากให้เปิดป้ายให้อาตมาก็เลยไปเปิดให้เขาต้องการพระเก้ารูปแต่อาตมาไปรูปเดียวเปิดให้เก้ารูปพอแล้ว อาจจะมาคนเดียวเป็นเก้าลูกได้ขาว่าเก้ารูกดีบันนี้เขาทําอีกบ็อกขายมีลูกน้องห้าคนและบันนี้เขาทํากันมาเรื่อยๆมาเลยพ่อตาเขาอยากแม่ยายเขาอยากให้เปิดป้ายเขามานมนมูลแต่อาจามาก็ไปองค์เดียวเพื่อนต้องไปบินทบาทมาเกียมสันเราไปคนเดียวไปก็เลยพูดให้ฟัง คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราพูดหลายเรื่องก็เลยพูดนโมตัสะเดิในให้ฟังทีแรกอคุณฟังนะนโมตัสะพระคัมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพูดได้ไม่ได้ไัว่ายังไงรู้ไหมแปลว่ายังไงไม่รู้เนทคนไทยถือศาสนาคุณโดยไปเรียนติดภาษาบาลีเลยไม่รู้ความหมายก็เลยหาว่านโมตัสสะนั่งขลังศักิ์สิไปเป็นอย่างนั้นคนไทยก็เลยแปลให้ฟัง นโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหาโตแปลผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากข้าศึกกิเลสกค่าศึกเป็นอันเดียวกัน ส, สัมาสมพุทธสาน ต, ตัสรู้เองโดยสอบรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแปลให้ฟังเขาเข้าใจก็เลยมาซื้อเอาหนังสือทำวัดด้วยจะเอาให้ไม่ได้ซื้อหรอกเขาให้เงินวันนั้นนะไปเปิดป้ายให้เขาเลยให้เงิน ก็เลยเอาหนังสือทำบัดให้เป็นบัตรนี้ก็เลยมาสวดพุทธังสังคักฉามิทำมังสังคังไปเนี่ยให้ฟังรู้ไหมรู้แปลว่ายังไงไม่รู้อีกแล้วก็ต้องแปลให้ฟังนะพุทธังสันนักฉามิแปลว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระเจ้าหรือเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งออย่างนี้ทำมังสันนักฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเอาพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังคังสังฆาสมามีข้าพเจ้าขอถึงพระสังคังสังฆาสามีข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์คือเอาพระสงฆ์นั่นแหะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์่เป็นสาระเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไทยได้จริงแต่เขาฟังเขาก็รู้โอ้เป็นอย่างนั้นตินครับก็เลยมาสวดโยจักคูมาเนี่ยให้ฟังคนไทยชอบสวดโยจักคูมาแล้วก็สาทุเอาน้ํามนั่ะน้ําสวดมงคลนะให้วิทย์ให้แล้วก็ไสหวัวก็ คนเท่าๆแก่ๆคนใดไกลพระก็ขานเข้ามากุ้กุก้ยกุก ก, กะเข้ามาอย่างนั้นแหละอยากให้น้ำมนต์ถูกหัวเป็นอย่างนั้นเพราะควมไม่รู้นี่เองเพราะจิตใจเป็นาธาตุของกิเลสที่มันไม่รู้ดังนั้นคำว่าไทยๆ ท, ที่หมายถึงอะไรหมายถึงจิตเป็นอิสระไม่มีอะไรครอบงำอย่างที่จิตเสยๆนี่แหละอะไรครอบงำไม่ได้ก็เลยสวดโยจักขุมาให้ฟัง โยจักโมมาโมหะมาลาปกะโท ร, รู้ไหมไม่รู้แน่มันเป็นภาษาบาลีอ่ะแปลว่าท่านพระองค์ใดกันมีพระปัญญาจักสุพระปัญญาในพระเดีไม่ใช่ปัญญาพระปัญญาจักสุขัดจัดมณทินคือโมหะเสียแล้วแน่คือกำจัดความหลงผิดนั่นเองไม่ใช่จะเป็นของขังศักดิ์สิทธิ์เอาน้ำมนตไปพิษให้กันณพิ่จนตายได้ไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์ ก็เลยสวดให้ฟังหลายเรื่องอธิบายให้ฟังหลายเรื่องเข้าใจไม่คุณเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วเปิดป้ายไหมเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ไดค้าเปนะิดไหนอาตมาก็เลยสอนทําตัวหนังสือให้มันโตๆคุณแล้วปักป้ายมันสูงๆรถวิ่งไปเว่งไม้เขาเห็นและลูกน้องของคุณเนี่ยถ้าได้กําไรมากคุณอย่ า, อามากเกินไปสมมติว่าคุณมีลูกน้องห้าคนได้เงินจากหกเจ็ดพันแล้วหมื่นบาทอย่างเนี้ยคุณวะ แล้วให้เขาคนละพันบาทคุณคนเดียวเอาห้าพันบาทได้มันเกินไปก็เลยพูดให้ฟังแล้วก็แบ่งเขาบ้างเอาสมมุติว่าเอาให้เขาคนละพันห้าร้อยคุณก็เอาพันห้าร้อยเท่าเขาก็ดีแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างนี้คุณไม่ต้องหาลูกน้องอีกแล้วเราได้เ ส, ย เ, สยเพียงเนี่ยผมคิดเงินพันห้าร้อยนีย่แล้วคนนั้นออกแรงงานนี่คนมีเงินต้องหางานให้คนทําวันนี้คนทุกคนมีมีงานทํามีเงินใช้นี่มันจะเดือดล้อนทํำไมเมืองไทย เพราะเดียวนี้ในคนมันมันเป็นาธาตุของเงินเนี่ยได้ร้อยแล้วอยากได้พันได้พันอยากได้มื่นได้มืน่นอยากได้แสนอยากได้ล้านไปไม่มีทางสิ้นจบเลยเรื่องนี้บัด น, นี้กลับมาพูดอีกเรื่องคนเป็นไทยเพราะว่ามันมากคนเป็นไทยเนี่ยคำว่า